เท่าที่ทําแล้วก็เสร็จแล้วฤดูมรสุมในเมืองไทยเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนตุลาคมในช่วงเวลานี้พระสงค์จะงดเว้นการเดินทางวางมือจากงานทั้งหลายและอุทิตเวลา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 ท่านกำลังก่อสร้างศาลาหลังใหม่ในบริเวณวัดป่าของท่านเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษาท่านก็ระงับการก่อสร้างและส่งช่างก่อสร้างกลับบ้านเพราะนี่เป็นเวลาของความสนุกในวัดของท่านสองสาวันต่อมาผู้มาเยี่ยมวัดคนหนึ่งเห็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างไวคง้ครึ่งๆกลางๆนี้จึงกราบเรียนถามท่านว่า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 ท่านหมายความว่าอย่างไรนะหลังคาก็ยังไม่มีประตูนหน้าต่างก็ไม่มีสักบางไม้และถุงปูนยังกองไปทั่วท่านจะทิ้งว่าอย่างนี้หรือท่านเพีย้ยนมรนี่ท่านหมายความว่าอย่างไรแม่เพื่อให้แน่ใจก็กราบเรียนถามท่านอีกครั้งว่าศาลานี้เสร็จแล้วหรือคอรับ